กำหนดเห็นเกิดเห็นดับมีสติมิให้เวทนามาปรุงจิตได้ก็เป็นอันว่าเป็นการป้องกันกิเลสตัณหาไม่ให้บังเกิดขึ้นอารมณ์เข้ามาทําให้เกิดเวทนาเกิดแล้วก็ดับไป ไม่เป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาเมื่อเป็นดังนี้จิตก็สงบได้เป็นอุเบกขาคือเป็นกลางได้และเป็นจิตที่มะพัดสอนคือผุดผ่องเป็นจิตที่อ่อนเป็นจิตที่ควรแก่การงานคือควรแก่ที่จะ ปฏิบัติทางปัญญาให้สะดวกขึ้นต่อไปเมื่อเป็นดังนี้จึงถึงขั้นจิตตานุปัสนาสติปทานที่ตรสอนให้ทาสติรู้ทั่วถึงจิตจิตที่ได้ลมมาแล้ว ในขั้นกายในขั้นเวทนาเป็นจิตที่สงบอารมณ์ไม่เข้ามาเป็นปัจจัยให้เกิดกิเลสตัณหาแต่ว่าจิตที่เครียดเกินไป ขาดความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงก็อาจจะเป็นจิตที่หดหูไปได้เป็นจิตที่ไม่ผาสุขรู้สึกหดหู เมื่อเป็นดังนี้ก็ต้องปฏิบัติทำจิตให้บันเทิงโดยที่พิจารณาปฏิบัติให้จิตได้ปีติได้สุข แต่ว่าไม่ให้ปีติไม่ให้สุขนั่นมาปรุงจิตให้เป็นกิเลสแต่ให้จิตได้ปีติได้สุขเหมือนอย่างที่ปฏิบัติทำให้ร่างกายได้รับความผาสุกจากปัจจัยเครื่องอาศัย คือที่อยู่อาศัยผ้านงหานู่อยยาแก้ไขเป็นต้นแม้พระอระหรันต์รสาวกทั้งหลายพระพุทธเจ้าเองก็ต้องทรงอาศัยปัจจัยสีน่นี้เพื่อให้ร่างกายมีความผาสุกจิตก็เช่นเดียวกันต้องอาศัยปัจจัยที่ทำให้ผาสุกเี่ให้เกิดปิติ อยากสมาธิเพราะสมาธินั้นทำให้ได้ปีติได้สุขจากวิปัสสนาก็ทำให้ได้ปีติได้สุขเช่นเดียวกันแต่ละเอียดกว่าก็ให้มีมีติมีสุขนี้หล่อเลี้ยงแต่ไม่ให้ปีติให้สุขนี้มาเป็นเครื่อง ยอมใจให้ติดให้ยินดีให้จิตบันเทิงจึงตรัสสอนให้ทาสติทำจิตให้บันเทิงต่อจากนั้นก็ตรัสสอนให้มีสติทำจิตให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิยิ่งขึ้นจิตก็ยอมจะได้ ความสงบยิ่งขึ้นความประพัดสอนคือผุดผ่องยิ่งขึ้นอุเบกขาคือความที่มีจิตเป็นกลางวางได้ยิ่งขึ้นคือวางความยินดีความยินไล่วางอารมณ์วางกิเลสทั้งหลายได้ยิ่งขึ้นและ ก็ให้ปฏิบัติทมสติคอยเปื้องจิตไว้ด้วยไม่ให้ติดอยู่ในสมาธิด้วยมีอารมณ์อะไรเข้ามาก็ต้องคอยเปื้องออกไปคือต้องคอยระมัดระวังบ่วงของมนันที่คอยจ้องอยู่ที่จะโยนบ่วงเข้ามาเกี่ยวจิต ต้องคอยเปรืองจิตไว้ไม่ให้บ่วงของมานเข้ามาเกี่ยวได้ไม่ให้มันเกิดกิเลส ด, ดึงออกไปได้ดังนี้ก็เป็นอันว่าได้ปฏิบัติทำสติรู้ทั่วถึงจิตของตนปฏิบัติคอยรักษาจิตให้มีความบันเทิงชื่นบานปฏิบัติ ทำจิตให้ตั้งมันยิ่งขึ้นและปฏิบัติคอยเรื่องจิตดังกล่าวปฏิบัติดังนี้ให้ใจเข้าให้ใจออกอยู่ก็เป็นอันปฏิบัติในอาณาปานสติในขั้นจิตตานุปัสนาสติปัฏฐานต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจ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 แห่งการปฏิบัติธรรมะคือจิตหรือจิตใจได้ตรัสไว้ในพระธรรมบทซึ่งแปลใจความว่าจิตดิ้นรน วัดแขวงรักษายากห้ามยากแต่ผู้ทรงปัญญาย่อมกระทําจิตให้ตรงได้เหมือนอย่างห้างสอน ดัดไม้ที่จะทำเป็นลูกศรให้ตรงได้ฉะนั้นดังนี้ทุกคนย่อมทราบจิตของตนเองว่าดินรนกวัดแกว่ง ในอารมณ์คือเรื่องทั้งหลายอยู่เป็นประจำและหากว่าจะสังเกตดูเด็กเล็กๆที่ ตั้งไข่ยืนขึ้นได้เดินได้วิ่งได้ก็จะเห็นว่าเด็กนั้นอยากจะร้องก็ร้องอยากจะ วิ่งเมื่อไรก็วิ่งอยากจะเดินก็เดินอยากจะนั่งก็นั่งอยากจะนอนก็นอนไม่เลือกเวลาสถานที่อาการที่เด็กแสดงออก ไปต่างๆนั้นก็แสดงถึงความริ้นรนกวัดแกวงแห่งจิตของเด็กนั่นเองแต่เมื่อโตรู้เลียงษาขึ้นได้มีการฝึกหัดให้รู้จักรักษากิริยาวาจาเป็นต้น เด็กก็จะค่อยๆสงบขึ้นไม่วิ่งไม่เดินไม่นั่งไม่นอนไม่ร้องเป็นต้นเหมือนอย่างเมื่อยางเล็กๆทั้งนี้ไม่ใช่ว่าจิตของเด็กนั้นจะสงบ ก็คงดิ้นรนกัดแกงอยู่นั่นเองแต่ว่าอาศัยการฝึกหัดกิริยาวาจาต่างๆอันเนื่องเข้าไปถึงการฝึกหัดจิตใจจึงทำให้เริ่มมีสติ เริ่มมีปัญญาที่จะควบคุมยับยั้งตัวเองมาเป็นผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ขึ้นความที่มีสติปัญญาควบคุมยักยับยั้งตัวเองก็มากขึ้นแต่ว่าจิตใจนั่น ก็คงริ้นรนกวัดแกวงอยู่นั่นเองแต่ว่ามีสติมีปัญญาที่จะควบคุมยิ่งขึ้นถ้าหากว่าไม่มีสติปัญญาควบคมุมให้ยิ่งขึ้นไปแล้วแม้ว่าเด็กเล็กๆนั่นจะโตขึ้น จนถึงเป็นผู้ใหญ่ขึ้นก็คงจะต้องอยากวิ่งก็วิ่งอยากเดินก็เดินอยากนั่งก็นั่งอยากพูดก็พูดอยากนอนก็นอนเหมือนอย่างเด็กเล็กๆนั่นเองเพราะจิตนี้ดินน้นรนวัดแกวง่งไปอย่างนั้นบ้างไปอย่างนี้บ้างเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นภาสติและปัญญาของผู้ใหญ่มีน้อยเหมือนอย่างสติปัญญาของเด็กเล็กๆแล้วแม้จะเป็นผู้ใหญ่อายุเท่าไหร่ก็คงจะปฏิบัติเหมือนเด็กเล็กๆนั้นเองเพราะภาวะของจิตดิ้นรนกวัดแกว่งอยู่เช่นเดียวกัน อันนี้แสดงให้เห็นอนุภาพของสติปัญญาที่ควบคุมจิตใจอันได้รับการฝึกอบรมมาตั้งแต่เป็นเด็กโดยที่มีมารดาเป็นต้นบิดาโดยที่มีมารดาบิดาเป็นต้นได้คอยเริ่มแนะนำอบรม เร่มาตลอดจนถึงครูบาอาจารย์ในโรงเรียนตลอดมาจนถึงพระพุทธเจ้าซึ่งทุกคนได้มาฝึกหัดปฏิบัติตามพระธรรมที่ทรงสั่งสอนจึงรู้จักที่จะมีสติมีปัญญาควบคุมจิตใจ ตลอดจนถึงกิริยาวาจาให้อยู่ในบรรญาติคือในขอบเขตที่งดงามเรียบร้อยเหมาะสมอันอาการที่แสดงออกเป็นกิริยาบรรญาติอันเรียบร้อยงดงาม ไม่หลุกหลิกเหมือนอย่างเด็กเล็กๆดังที่กล่าวนั้นคือลักษณะของสิ่งที่เรียกว่าศีลที่แปลตามศัพท์ว่าความเป็นปกติก็คือความเรียบร้อย แต่ว่ามักจะอธิบายศีลกันว่าคือความงดเว้นต่างๆจากการแสดงกิริยาทางกายทางวาจาที่ไม่เรียบร้อยดีงามตลอดจนถึงงดเว้น จากความประพฤติที่ไม่ดีไม่ชอบทางกายทางวาจาอันเป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนและผู้อื่นให้เดือดร้อนดังที่มีแสดงว่างดเว้นจากการฆ่าเขาบ้างการรักของเขาบ้างเป็นต้น น้อยข้อบังมาข้อบังตามที่พระพุทธเจา้าได้ทรงบัญญัติไว้สำหรับบุคคลผู้ที่มีวัยมีอายุและมีเจตนาต่างๆกันจะพึงรับปฏิบัติเช่นเมื่อเขามาบวชเมื่อเป็นเด็กๆบวชเป็นเนร ก็ปฏิบัติอยู่ในศีลของเนรอายุมากเข้าเป็นภิกษุก็ปฏิบัติอยู่ในศีลของภิกษุเป็นตน้นซึ่งมารวมความเข้ามาแล้วก็คือการที่รักษากิริยากายวาจาให้เป็นปกติดังเจอพึงเห็นได้ว่าอันกิริยากายวาจาที่เป็นปกตินั้น เมื่อเขามานั่งปฏิบัติเป็นสมาธิอยู่นี้ก็สํารวมไม่เอ็นกายไปเอ็นกายมาไม่ยกมือขึ้นไม่ยกมือลงไม่หันหน้าไปข้างซ้ายไม่หันหน้าไปข้างขวาไม่พูดซุบซิบซุบซิบคุยกันนี้เป็นต้นซึ่งเป็นอาการกิริยากายวาจาที่เป็นปกติเรียบร้อยดีงาม ตลอดจนถึงไม่เล่นสุกซนอย่างเด็กเพราะเมื่อเด็กก่อนบวชก็สุกซนแต่เมื่อเข้ามาบวชแล้วแม้จะเป็นเล่นเล็กๆ ก, ก็ต้องสำรวมกิริยากายกิริยาวาจาไม่เล่นต่างๆ ต, ตลอดจนถึงเล่นสนุกหรือเล่นรังแก ร่างกายชีวิตสัตว์เล็กๆน้อยๆเช่นบีมดเล่นตบยุงอะไรเหล่านี้เป็นตน้นต้องงดเว้นทั้งหมดให้กิริยากายวาจาสงบเรียบร้อยดีงามดังนี้แหละคือศีลซึ่งเป็นการควบคุมกายวาจานี้เอง และโดยตรงนั้นก็คือควบคุมจิตใจโดยที่เริ่มรู้เดียงสาความรู้เดียงสานั้นก็คือตัวสติตัวปัญญานั่นเองที่เริ่มบังเกิดขึ้นมาในอันที่จะมีจิตอันประกอบด้วยสติประกอบด้วยปัญญา สำหรับที่จะได้ควบคุมกิริยากายวาจาของตนเองให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามอันนี้คือตัวศีลซึ่งมีลักษณะเป็นอันเดียวแต่หากว่าควบคุมกิริยากายวาจาโดยที่มีจิตใจรู้เดียงสาคือว่า มีตัวสติมีตัวปัญญาดังที่กล่าวนั้นควบคุมจิตใจได้ให้เป็นปกติเรียบร้อยดีงามแล้วกายวาจาก็ย่อมจะเป็นปกติและเมื่อกายวาจาตลอดจนถึงจิตใจเป็นปกติเรียบร้อยดีงามแล้วก็เป็นอันว่า เป็นตัวศีลซึ่งไม่จำเป็นที่จะต้องนับข้อว่าเป็นศีลห้าเป็นศีลแปดเป็นศีลสิบเป็นศีลสองอยเจ็ดเพราะศีลทั้งหมดนั่นรวมอยู่ในตัวความปกติเรียบร้อยดีงามทั้งกายทั้งวาจาและทั้งจิตใจนี่เอง ฉะนั้นจึงต้องอาศัยจิตนี้เองที่จะต้องฝึกจะต้องดัดจะต้องอบรมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่าผู้ทรงปัญญาย่อมกระทำจิตให้ตรงคือไม่ให้ดินรน ไม่เหกกัดแกว่งเหมือนอย่างข้างสอนดัดไม้ที่จะทำเป็นลูกสอนให้ตรงอันการดัดไม้นั้นต้องอาศัยความร้อนลนไฟดัดและก็ได้มีภาริตของไทยเราว่าไม้อ่อนดัดง่าย แต่ไม้แก่ดัดยากถ้าเทียบอย่างบุคคลดัดตั้งแต่เป็นเด็กๆย่อมดัดง่ายเพราะเด็กเหมือนอย่างไม้อ่อนแต่ผู้ใหญ่นั่นอาจจะดัดยากขึ้นแต่อันที่จริงนั่นเมื่อมาถึงพระพุทธศาสนาอัน แสดงถึงจิตเป็นส่วนสำคัญในการฝึกอบรมอันธรรมชาติของจิตนั่นจะเป็นของเด็กของผู้ใหญ่ก็เป็นสิ่งที่มีลักษณะเช่นเดียวกันคือเป็นสิ่งที่ดัดได้ด้วยกันทั้งนั้นจิตของเด็ก ก็ดัดได้จิตของผู้ใหญ่ก็ดัดได้แต่ว่าอาจจะมียากกว่ากันตรงที่ว่าเป็นผู้ใหญ่นั้นได้มีความเคยชินในความประพฤติต่างๆมากขึ้นและ มีทิฐิมานะของตัวเองมากขึ้นจึงทำให้บังเกิดความลื่นด้านในอันที่จะรับอบรมยากขึ้นเท่านั้นแต่ก็สามารถที่จะทำลายหรือกำจัดความลืด ความประพฤติเคยชินต่างๆได้ดังที่พระพุทธเจา้าได้ทรงดัดได้ทรงทรมานบุคคลต่างๆตามเรื่องที่ได้มีแสดงไว้ในที่ต่างๆดังเช่นเมื่อพระองค์เสด็จไปโปรด พวกบูราณชนินคือคณะฤาษีโยคีคณะหนึ่งซึ่งนับถือการบูชาไฟมีจำนวนหนึ่งพันรวมกันโดยที่มีฤาษีโยคีสามพี่น้องเป็นหัวหน้าแยกกันอยู่ พระพุทธองค์ต้องทรงใช้อิทธิปาฏิหาริย์ทำลายทิฏฐิมานะของท่านชดินเหล่านั้นเสียก่อนเพราะท่านชดินเหล่านั้นมีทิฏฐิมานะว่าตนเป็นพระอรหันต์เพราะฉะนั้น จึงไม่ยอมรับที่จะฟังคำสั่งสอนของพระองค์เพราะถือตัวเป็นพระอระหันต์เป็นคณาจารย์ใหญ่มีแต่ผู้อื่นมาฟังคาสั่งสอนของตนตนไม่อยู่ในฐานะที่จะฟังคำสั่งสอนของใครเสียแล้วจึงต้องทรงแสดงอิทธาน ทำลายทิฐิมานะอันผิดของท่านเหล่านั้นและท่านก็มีแสดงไว้ว่าเมื่อทรงแสดงอิทธิปาฏิหารไปทีแรกท่านชดินที่เป็นหุวหน้าท่านก็คิดว่าท่านสมณะภูนี้เก่งแต่ก็ยังสู้เราไม่ได้เราเป็นพระอรหรันต พระพุทธเจ้าจึงต้องแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ไปหลายอย่างหลายประการจนท่านมีความสำนึกตนว่าท่านไม่ใช่เป็นพระอรหันต์ก็เป็นอันว่าได้สงบหรือละทิฐิมานะอันผิดของตนเมื่อเป็นดังนี้พระพุทธเจ้า จึงทรงแสดงธรรมะสั่งสอนเพราะเมื่อท่านละทิฏฐิบาณะเดิมได้แล้วก็เป็นอันว่าพร้อมที่จะฟังเมื่อพร้อมที่จะฟังท่านจึงทรงสั่งสอนและเมื่อได้ทรงสั่งสอนจบจบลงแล้วท่านก็ได้ปัญญาเห็นธรรมะดังนี้เพราะฉะนั้น วิธีสั่งสอนของพระพุทธเจ้าจึงมีแสดงไว้ว่าเป็นปาฏิหาริย์สามอิทธิปาฏิหารปาฏิหารคือการแสดงฤทธิ์อาเทศนาปาฏิหารปาฏิหารคือทรงแสดงดักใจเพราะทรงรู้ ถึงอุปนิสัยวัฒนาบารมีของผูที่จะทรงแสดงธรรมะสั่งสอนจึงทรงแสดงธรรมะสั่งสอนให้เหมาะสมแก่อัธยาศัยนิสัยบารมีของภูฟังได้และสมอนุสาสนีปฏิหารปฏิหารคืออนุสาสนีคืออนุสาสสั่งสอน ไปตามธรรมะที่ควรแสดงสั่งสอนสำหรับปาฏิหาริครั้งสามนี้พระพุทธเจ้าได้ทรงมีอยู่อย่างสมบูรณ์เพราะฉะนั้นจึงทรงสามารถดัดบุคคลที่ควรดัดได้ดังพระพุทธคุณบดว่าปุธิสธรรมมาซาทิ เป็นสารถีดัดฝึกคนที่ควรดัดได้ดังนี้กิทธิปาฏิหารนั่นเมื่อกล่าวโดยตรงก็คือว่าเป็นวิธีที่จะทำลายทิฏฐิมานะของภูฟังลงให้ได้เสียก่อน